พระธรรมเทศนาแผ่นที่63าลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่13เมษายน2557มีเชื่อเรื่องว่าแบ่งปันความสุขให้พ่อให้แม่เมื่อในวันที่ สิบสามน้าลูกหลานนะวันที่13เมษาห้าเจ็ดเป็นวันสงกรานและก็วันที่27่น้ลูกหลานน่ะวันที่ย7เเป็นวันเกิดของหลวงพ่ออันนี้หลวงพ่อกับบอกกล่าวให้ทราบหลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็บอกนะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณานะน้ลูกหลานนะ ไม่นิมนต์พระและก็ไม่เชื้อเชิญบุคคลใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าหากว่าผู้ใดว่างจะมาร่วมกินก๋วยเตี๋ยวก้าวต้มขนมกับหลวงพ่อก็มาเด้อวันที่27เป็นวันเกิดของหลวงพ่อถ้าหากว่าหลวงพ่อไม่พูดเลยก็เหมือนกับเงียบเหมือนกับไม่มีอะไรแต่พอมา ถึงวันแล้วก็คนมาทุกแห่งหนทําไมหลวงพ่อจึงไม่พูดแต่หลวงพ่อพูดออกไป เ, เหมือนกับหลวงพ่อบอกถือว่าเป็นวันเกิดของตัวเองเป็นวันสําคัญยิ่งจะไปหาถืออย่างนั้นอันนี้บอกกล่าวธรรมดาธรรมดาถ้าผู้ใดมาได้ก็มาถ้าใครมาไม่ได้ก็ไม่ต้องม า, าถ้าไม่มาหรือมามาแล้วไม่มาหลวงพ่อให้ความรักเมตตาอย่างเก่า แต่ทามาได้ก็ดีจะได้มาพบมาเจอกันมาสังสรรค์กั น, นในงานวันเกิดของหลวงพอ่เอเพราะวันเกิดหลวงพ่อไม่มีทุกวันปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียววันที่27เจ็ดธนัตตนะเมษาปีนี้ก็เป็นที่27เมษา57เวันนี้ก็เป็นวันที่13แต่วันนั้นคิดว่าคนคงจะมากตามปกติทุกปีแต่ปีนี้ก็คงจะมากเหมือนกับปีที่แล้ว แต่ว่าการต้อนรับขับสู้อก็เท่าที่เป็นไปได้แต่ถ้าว่าเราอยากจะให้สมบูรณ์กับมาช่วยกันจัดสิออยากจะให้สมบูรณ์อยากจะสมบูรณ์อยากจะมาสะดวกสบายก็เออ ม, มาช่วยกันจัดถ้าว่าถ้าว่าไม่ช่วยกันจัดมีแต่มมีแต่อาศัยพวกกลุ่มอยู่ออยู่ข้างในไม่กี่คนจัดมันก็รับไม่ไหวนะสิ น, ะะนั้นหลวงพ่อว่า ถ้าบอกพวกเราอยากจะให้ใครอยากจะมาอยากมาพักมาช่วยกันจัดถ้ามาช่วยกันจัดแล้วนะสะดวกสบายแต่บางคนมาปุบปับมาล้เพาะขอจองกุฏิทั้งนั้นทั้งนี้นะห้องนั้นห้องนี้นะคนมาเป็นหมื่น เ, เป็นพันหลายพันคนต่างคนต่างจองห้องเดียวจะทำยังไงวะ มันจะได้จับฉลากเอาละถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จัดเท่าที่จะจัดได้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนใครมาหลังก็ได้หลังถ้าใครไม่ได้ก็ไม่ต้องว่ากันเพราะเหตุไร ม, ม, มันจำกัดทางหลวงพ่อกิดโอ้พี่น้องประชาชนมาเยอะขนาดนี้เยเราควรจะทำเป็นห้องให้คนพักเป็นห้องเป็นห้องเพื่อความสะดวกสบายของคณะสิทธญาณุสิต อมาแล้วก็จะได้มาพักสะดวกสบายมาบําเพ็ญกุศลหลวงพ่อกิดับผมก็หลับตาสร้างไปเรื่อยๆฮ่มีที่ดินที่ไหนก็สร้างกําพงกําแพงพอหลวงพ่ออินตายเถไงพอหลวงพ่ออินตายไปท่านนั่นแหละเถอผู้ที่อยู่มาเนี่ยเป็นรู้จะรักษาที่ไหนเถไตรงนั้นก็ปวกขึ้นตอนนี้นก็มดขึ้นตรงนั้นก็ จริงขี้จริ้งจกตุกแกขี้ข่งค้งข่างคง า, งาวเต็มไปหมดหลวงพ่อผู้อยู่ที่ล่างก็ดูถูกหลวงพ่ออินอย่างไโอ๊ยหลวงพ่ออินทําไมโง่นักนะได้เงินมาแล้วก็น่าจะเอาช่วยเหลือชุมชนสังคมหลับหูหลับตา ม, มาสร้างวัดตัวเองเห็นไหมนะอพอตายไปแล้วใครจะดูแลรักษาอก็ดูถูกอย่างนั้นไปอีกนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อบวกลบคูณหารดูมด ควรจะทำยังไงไม่ควรทำยังไงแต่ขนาดหลวงพ่อห้ามเปล่าไม่ในในวัดหลวงพ่อนยายายาขนาดนี้พอพอพออแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับวัดอื่นแล้วก็วัดหลวงพ่อยังด้อยยังล้าหลังแต่ลร่งคิดว่าหลวงพ่อคิดว่าขนาดนี้พอแล้วล่ะต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าหลวงพ่อตายไปแล้วนะแล้วจะทำยังไงเพราะหลวงพ่อเคยเห็นหลายหลายวัด เห็นวัดครูบาอาจารย์ก็ยับไม่อยากจะระบุซื่อหรอกเกือบทุกองค์เมื่อท่านจ ต, ตินิลพานไปแล้วนะลูกศิษย์มีพระอยู่สามสีองค์สี่ห้าหองแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่พระั้งเจ็ดสบแปดองค์ท่านก็สร้างใครๆมาเออเอ า, เอาจะสร้างกุฏิถวายหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาเออก็คนสร้างพอสร้างเสร็จแล้วท่นี่กุฏิมีแต่ใครก็ทำด้วยจิตศรัทธาเอาเต็มที่ เพราะว่าสร้างในตะกูลสร้างกุฏิไว้ในพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระคุณหลวงปู่พอสร้างเสร็จแล้วจะเนี่ยก็มีตะหลังหลูลาหลูลาโออาทั้งหมดเลยแต่พอเราพอท่านจากไปเท่านั้นละ่ะมีผ้าอยู่สี่ห้าองค์ใครจะไปรักษาทีไเราเดินไปดูโอ้มนุษย์สื่ว่ามันห่อเหี่ยวในใจหลวงพ่อไปเห็นมันห่อเหี่ยวในใจของหลวงพ่อ แต่มันรู้จะทํำยังไงถึงจะไปซ่อมไปแซมให้มันดีขึ้นมาอย่างเก่ามันก็เป็นอย่างเก่าพอานั้สูรก็เลยปล่อยป่ยปลาละเลยทิ้งเกลื่อนไปหมดเลยตอนนี้ล้างคาแตกล้างคารั่วบางเหล็กอะไรที่ของใช้หรูหราโอ้อานี่เสียหายหมดเลยตอเนี้ยพอเข้าขึ้นไปดู น, ะนั่นแนหะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หลวงพ่อไม่คิดนะคณาจารย์โยมลูกหลาน แต่อยากจะอำนวยความสะดวกให้ลูกหลานพุกคนที่เข้ามาในงานจะเป็นงานกระถินหรืองานอะไรของหลวงพ่อก็ตามนะแต่ว่าหลวงพ่อคิดไปในอนาคตแล้วอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยนะจริงไหมที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเอาคำจริงมาพูดไนะ้จริงไหมเนะพราะนั้นหลวงพ่อเองจะทําสิ่งไหนก็ตามหลวงพ่อต้องคิดบวกลบคูณหารดูแล้ว ไม่ใช่ว่าเอาอย่างใจลูกสิทธิ์ลุกหาหรือคณะศรัทธาญาติโยมอยากจะได้อะไรอย่างใจแล้วก็ทําอนุมัติตามถ้าทําได้อย่างนั้นรู้สึกว่าออก็คงจะเหมือนครูบาอาจารย์วัดใหญ่ๆที่หลวงพ่อเคยเห็นมาเพราะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนนะลูกหลานทุกคนนะถ้ามาพักวัดหลวงพ่อสะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างก็ต้องทําใจ พ่อหลวงพ่อจะให้อำนวยความสะดวกให้กับทุกคู่ทุกคนก็คงอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ได้แต่บางคนก็มาได้พักข่าวนี่ในพักหลังดีได้พักกุฏิห้องดีก็ดีใจว่าเราเป็นบุคคลสำคัญของวัดแต่พอมาข่าวหน้ามาที่หลังเขาเถนี่ไม่ได้หลังดีเถอนี่ก็เสีย อ, อกเสียใจว่าครูบาอาจารย์ไม่ให้ความสาคัญตัวเองเอ แต่ก่อนข้าวก่อนให้ความสำคัญแต่มาบัดนี้ท่านไม่ให้ความสำคัญเราเสียใจไปอีกไเสียงเหล่านี้หลวงพ่อคนรู้จะทำยังไงเออพวกพลอยนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกคนนะทีามาอยู่ใกล้หลวงพ่อทุกคนต้องทำใจแต่ขนาดหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ยังทำใจตัวเองไปนะั่งจานที่ใดไปนะที่ใดจัดงานที่ไหน อ, อ, อย่างไปจัดงานขององค์หลวงตาก็เหมือนกัน งานศลีละของหลวงตาหลวงพ่อก็ทําใจไปจัดงานของหลวงปู่จามหลวงพ่อก็ทําใจเราต้องทำใจตนเองนะลูกหลานนะอย่าไปคิดไปให้คนอื่นทาตามใจของเรานะ่มันยากเราต้องทำใจใทำใจยังไงคล้ายๆว่าปล่อยวางอะไรก็ได้เพราะเราอยู่ในโลกเนี่ยบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์บางทีก็รวยบางที ก, งทก็จนบางทีก็ได้ทานอาหาร บางทีก็อาหารไม่ดีเอ่อบางทีก็อร่อยบางทีก็ไม่อร่อยบางทีก็อาหารอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยเพราะเหตุใดเพราะร่างกายของเรามันทุกพลภาพนะร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยเอตกรทำไมสันทานส้มตำอร่อยไหมทาไมวันนี้ทำไมมันไ ม, ไม่ไม่อร่อยเลยเพราะเหตุไดเพราะโลกอันนี้จังต้องทำใจ ถ้าเราไม่ทําใจแล้วเราจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นขอฝากไว้กับทุกคนนะงานนี้งานของหลวงพ่อวันที่27เจ็เชิญทุกคู่ทุกคนลูกหลานทุกคนแต่มาพบมาเจอกันนานทีปีหนได้มาพบกันแต่ถึงยังไงทํามาแล้วได้รับความสะดวกสบายาก็นั้นถ้าดีไปถ้าว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายาก็จะทํำยังไงได้พบคนมันเยอะ เพราะนั้นหลวงพ่อให้ความสำคัญรักเมตตาทุกคนแต่จะให้หลวงพ่อตอนรับขับสู้จะให้รับได้รับความสะดวกสบายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจะสร้างอาคารหรูหราโออาต์ R, ตอนรับขับสู้ศรัทธาญาติโยมสร้างไม่รู้จักจบจักสิน้นเนื้อที่พันไร่เนี่ยสร้างได้ 1,300 ร้อไร่อีกต่างหากที่วัดของเราแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อตายไปแล้วอย่างที่ว่านะแล้วจะเป็นยังไงพวกเรา หลับตาดูซิว่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดไหมหลวงพ่อพูดไม่ผิดก็แล้วกันเพราะหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วแอ้วันนี้เป็นวันที่13นะครับนักศทธาญาติโยมวันที่13เมษายนพุทธศักราช2557ัเป็นวันสำคัญของประเทศไทยรัชการหยุดทำการทำงานหลายวันเพราะหยุดให้พี่น้องประชาชน มาพักผ่อนอหรือว่าเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่หรือว่ามาทํากิจภาร ก, กิจปีหนึ่งจะมีอสองครั้งบางทีครั้งใหญ่ก็คือวันที่หนึ่งมกราเป็นวันปีใหม่สากลแต่วันนี้เป็นวันที่13วันนี้เป็นวันปีใหม่ไทยก็หยุดหลายปีหลายวัน เ, เพื่อให้พี่น้อง ประชาชนกลับมาเยี่ยมบ้านเยี่ยมพ่อแม่แต่จุดประสงค์ก็ดีแต่บางท่านบางคนบางลูกหลานบางคนพอกลับมาพอเขาเปิดโอกาสให้หลายวันกลับไปทําความไม่ดีแต่ทางรัฐบาลเขาอยากจะให้ลูกหลานมากลับบ้านมาประกอบคุณงามความดีแต่ลูกหลานไม่รักดีบางคนนะไม่ใช่ทุกคนนะบางค น, ก, นกินเหล้ามเมาย า, ยา สัมมาเลเทเมาอบายยมุกทุกอย่างเผยเผยถลำทำความช่วยจังต่างหากเพราะมีโอกาสมีเวลาทำความชั่วเพราะนั้นเสียงเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราลูกหลานคณศสัตยาญาติโยมทุกหมเหล่าให้แนะนำสั่งสอนลูกหลานของพวกเราลูกหลานของพวกเราโดยมากเกิดใหม่ใหญ่ที่หลังถ้าพ่อแม่ไม่สอนลูกไม่แนะนาสั่งสอนลูกจะเลยก็ไม่ ไม่ดีเหมือนกันนะพอรักลูกแต่ตามไม่จริงรักลูกต้องสอนถ้าสอนไม่ได้จริงๆนี่ฟัง mp3 ของหลวงพ่อเนี่ยพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับลูกพ่อแม่เพอเพอเข้ามาแล้ว เ, เปิดเ p ็สให้ฟังแต่เขาไม่ฟังไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแล้วก็สอนสอนเท่าที่เราจำได้ ลูกหลานน่าจะไปทำความชั่วนะถ้าว่ามันเกิดขึ้นมานะจะว่าพ่อแม่ไม่ไม่รักไม่ได้นะพ่อแม่สอนแล้วสิ่งที่มันดีอย่างที่หลวงโยมพ่อของหลวงพ่อนะเด็ดขาดนะเวลาสอนลูกหลวงพ่อยังจำไม่ลืมแต่สอนแบบบ้านนอกแต่หลวงพ่อก็ถึงใจนะหลวงพ่ออาจจะเป็นคนนิสัยหยาบก็ได้หลวงพ่อเห็นพี่ชายของหลวงพ่อรนะู้สึกว่าเปน ถ้าหากว่าเป็นชาวบ้านน่ยคงจะไม่อยากจะฟังคำใครนะ่ะกลัวแต่พ่อฮะแต่กลัวพ่อนะ่ะแต่ว่าไม่กลัวใครในบูงบ้านนะ่ะแปลว่าไม่กลัวใครทั้งหมดนะพ่อก็มองดูแลรู้นะไอ้นี่มันมันชักจะไม่มันชักจะไม่กลัวใครละมันจะออกนอกลูกนอกทางละแต่นี่พ่อก็เรียกมาเลยโยมพ่อเรียกมาเอ้ยตาแกจะกินเหล้านะ แต่แกจะกินเหล้านะถ้ากินเหล้าเมื่อไหรเมาขึ้นมาเมื่อไหร่อัลาวาดกับพี่น้องพ่อแม่เมื่อไหร่ถ้าเราเห็นนะเราจะไล่หนีออกจากบ้านไม่ต้องเรียกพ่ออีกต่างหาก อ, อย่าไปเรียกพ่ออีกต่างหากนะเพราะเราเลี้ยงใหญ่แล้วตัวเองคุ้มตัวเองแล้วไปเลยออกไปจะไปหาที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้แต่อย่ามาเรียกเราว่าเป็นพ่อนะ ถ้าว่าจะเป็นพ่อลูกกันนะต้องหยุดสิ่งที่มันชัว่วอย่าไปกินเหล้าถ้ากินเหล้ามันขาดจติตในเมื่อขาดจติตแล้วมันจะทำอะไรทุกอย่างได้เพราะนั้นอย่า ก, กินเหล้านะฟังนะ card, เนไได็ดขาดานั้นสุดลูกชายก็พอแต่แกได้ลูกมาแต่แกโอ้พ่อสอนผมวันนั้นอนะ่ะผมจำไม่ลืมเลยผมไม่เคยกินเหล้าเลยตั้งแต่แต่นั้นมา แล้วก็ผมจะสอนลูกของผมผมก็จะสอนอย่างที่พ่อพอสอนผมเนะมันเด็ดขาดเลยเงัน<ม>นี่แหละอันนี้ก็คือโยมพ่อของหลวงพ่อเนี่ยงศีลธรรมแล้วท่านสอนอย่างเด็ดขาดนะกับลูกของท่านเองแต่คาว่าท่านกขาไม่ได้ทากับใครอื่นนี่แหละพอหลวงพ่อมาถึงจุดนี้ยุคนี้สมัยนี้ปีนี้ได้ยินพวกเราคงคงจะได้ยิน พอมันสื่อมันไปทุกหัวและแห่งลูกชายวางแผนฆ่าพี่ฆ่าพ่อฆ่าแม่จากนั้นน้องชายสุดท้องฟางแผนฆ่าน้องฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่มันปีนี้รู้สึกเรื่องสะดุดใจเรื่องอย่างนี้มันมีอยู่สองเรื่องที่เขาามาให้หลวงพ่อดูแต่หลวงพ่อไม่มีดอกธน ร, รทัดแต่ข่าวมี ผมพ่อได้ยินหลพ่อเขสะก ด, ดใจอีกเหมือนกันทําไมในพื้นแผ่นดินไทยของเราเป็นเมืองพระพุทธศาสนาที่พระพุทธทเจ้าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธทเจ้าท่านบอกว่าอนันตริยกรรมหมาตุคาดฆามารดาิปีตุคาดฆ่าบิดาอารหันตคาดฆาผรหัน์โลหิตตุบาตรําทําร้ายทําลายพระพุทธทเจ้าอย่างพระโลหิตให้หอก สังฆเภทจุโยงสงให้แตกกันอันนี้คือบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาแปลว่าตายไปแล้วไม่มีทางที่จะไปสวรรค์ชั้นพรมได้ลงเอเวจีมาหานรกอย่างเดียวพอพ้นจากขึ้นมาจากนรกแล้วแปลว่านับหนึ่งใหม่ทั้งที่ตัวเองสังสมบรรมีมาในอดีตชาติจะเป็นระดับไหนก็าตามแต่พอมาถึง ได้ทำอนันตรียกรรมห้าเท่านั้นแหละแปลว่าเกิดมาพบใหม่ตกพ้นจากอเวจีมหานรกมาแล้วก็เป็นผู้นับหนึ่งใหม่ใครๆว่าตั้งต้นใหม่แปลว่าทุนทั้งหลายหายหมดอันนี้คืออนันตเรียกรรมหเป็นบาปหนักที่สุดในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นทั้โลกใครก็ตามฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหัน์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าหรื อ, อยุยงสงฆ์ให้แตกกันจะมาบวชในพุทธศาสนาก็ไม่เป็นพระใครเป็นข่าพ่อข่าแม่มาแล้วนี่ยจำึกำึกถึงว่าตัวเองทำผิดแล้วมาบวชถึงยังมาบวชก็ไม่เป็นพระเพระเาะอะไยเพราะตัวเองมันทาความชั่วเหมือนเหมือนกับโทษประหารแล้วคุณงามความดีในจิตใจของคนนั้นมันหมดแล้ว เรงจะมาทําขึ้นมาใหม่ไม่ได้ขาดนะเมือ่อคนตายเอาคนตายมาบวชลักษณะอย่างนั้น่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธยาท่านจึงเน้นหนักว่าอนันตเรียกรรมกรรมอันหนักที่สุดสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าหลวงพระสงค์ไม่พูดให้กับกนัตจารย์ญาติโยมฟังพวกเราก็คงจะไม่รู้ว่าะใจ้โทษหนักข่าพ่อฆ่าแม่แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธยาแล้วหนักมากในเรื่องนี้ เพราะนั้นขอฝากให้พวกเราแนะนําสั่งสอนลูกหลานนะามาตุกขาดฆ่ามารดาปีตุกขาดฆ่าบีดาอรหันตะขาดฆ่าพระหันาบาปหนักพระคุณของพ่อของแม่มากมายมหาศาลพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วถ้าหากว่าใครก็ตามอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ลูกมาเนี่ยนี่แหละมันใหญ่ขึ้นมามันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่นันี่ แล้วพวกเราจะเลี้ยงไว้ไหมคิดดูสิเลี้ยงลูกมาเพื่ออะไรเลี้ยงลูกมาก็เพื่อจะให้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราก็จะให้ลูกของเราเลี้ยงดูเราหรือว่าอำนวยความสะดวกให้กับเราเตามที่ควรจะเป็นไปไม่มีลูกไม่มีพ่อแม่คนไหนหรอกที่จะเลี้ยงลูกมาแล้วปล่อยประลาเลยเแล้วจะจะให้พ่อแม่อยากจะให้ลูกฆ่าตัวเองอีกต่างหากมีไหม คงจะไม่มีเพราะนั้นลูกทุกคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอแต่ลูกบางคนก็บอกว่าทวงอีกลูกโงก่ต้องทวงอีกพ่อแม่ทำให้ข้าเกิดมาแล้วทำไมไม่ดูแลข้าทำไมไม่เอาไม่เหมือนกับคนอื่นเขาไม่อำนวยความสะดวกให้กับข้าเลยพ่อแม่เนี่โง่หน้าเตะละเกินหน้าข้าทิ้งละเกินพ่อแม่อย่างนี้ Hey, ลูกบางคนลูกงโง่ต้องคิดอย่างนั้น hey. แต่พ่อแม่ก็คิดอีกเหมือนกันนะพ่อแม่บางคนโอ้ทางว่าลูกของข้าเนี่ยนะถ้าเลี้ยงเลี้ยงมาด้วยความยากลำบากถึงขนาดนี้ถ้าว่ามันอรารวาสแล้วว่ามันคิดว่ามันมันจะทำร้ายทำลายเราถึงขนาดนี้เราก็คงจะไม่เลี้ยงมันมาแล้วว่าเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้อันนี้เราเลี้ยงขึ้นมาคิดว่ามันจะมีบุญคุณ มันกลับมาอารวาดอย่างนี้เหรอลูกเนะี่ยแงโลงพ่อว่ามันคิดได้ทั้งสองทางนั่นแหละลูกก็คิดได้ถ้าคุดคิดชั่วนะถ้าพ่อก็เหมือนกันพ่อแม่ก็เหมือนกันถ้าคิดชั่วก็คิดได้อีกเหมือนกันเพราะเหตุไรพ่อว่าเพราะมันคิดชั่วแต่ถ้าคิดดีก็ต้องว่าเออพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาขานาดนี้พ่อแม่เลี้ยงดูเราพระคุณของท่านมากมายมหาศาล ถ้าหาว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูเราเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นอย่างนี้ไหมในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งเนี่ยเราจะกระโดดไปในทิศทางสีโดดไปในทิศไหนก็ได้เพราะเหตุไรเพราะเราสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเหมือนกับนกที่พ่อแม่เลี้ยงบินออกไดหากินตัวเองได้แล้วเราจะไปเกาะจะไปพึ่งพาอาศัยพ่อแม่ทาไมพ่อแม่ก่อนที่ท่านจะได ทำมาค้าขายได้ขนาดนี้ท่านเสาะแสวงหาทรัพย์ของท่านด้วยความยากลำบากขนาดไหนน บ, บัดนี้ท่านได้เลี้ยงดูเรามาขนาดนี้แล้วเราควรจะกระโดดไปในทิศทั้งสี่ไปที่ไหนก็ได้ถ้าคนขยันยอมหาทรัพย์ได้ถ้าคนมีปัญญายอมหาทรัพย์ได้ถ้าคนขี้เกียจถ้าคนโง่จะหาทรัพย์ไม่ได้หาอะไรก็ไม่ได้ได้แต่ความชั่วถ้าคนโง่ถ้าคนขี้เกียจ เพราะนั้นเสียงเหล่านี้ต้องมองตนเองที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นนะให้พวกเราลูกหลานทุกคนพวกทินได้ยินเดียวเนีนะ้มองตนเองข้าในทำถูกไหมกับผู้มีอุปกรารคุณพ่อแม่ของเราพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท่านก็ไม่ให้มองไม่ให้ปล่อยปาดละเลย เ, เพราะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าเนี่ยยังเป็นมรดกของท่านอยู่ในตัวของเราเราได้มาจากใครร่างกายของเราได้มาจากพ่อแม่ไม่ใช่เหรอในเมื่อเราได้มาจากพ่อแม่เราก็ต้องเมื่อเอาร่างร่างกายมาทาบุญอย่างวันนี้นะอะมามาทบุญ วันที่13เมษาห้เจ็วันปีใหม่เมื่อพ่อแม่ล่วงรับไปแล้วเราก็เออข้าพระเจ้าได้มาทำบุญตักบาทถวายพัฒหารพระสงฆ์บุญกุศลที่เกิดจากการทำบุญมากน้อยอย่างไงแค่ไหนถึงอดีตถึงปัจจุบันบุญกุศลทั้งหลายขอให้เกื้อกูลหนุนให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ของข้าพระเจ้าสิงสถอยู่ณถิ่นใด ก็ขอให้รับส่วนบุญได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทาคุณงามความดีทุกครั้งด้วยเถิดนะอันนี้คือเราทาบุญเราก็ต้องนั้นระลึกถึงพระคุณเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยได้มาจากพ่อแม่เป็นก้อนมลรกของท่านยังมีอยู่กับเราเนี่ยแหละเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ เพราะนั้นขอให้พวกเราพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าการพูดทางนี้ท้งนั้นเป็นการกล่าวกล่าวย้ำเตือนให้พวกเราทั้งหลายอย่าลืมตัว เ, เป็นผู้พ่อแม่เป็นผู้มีอุ ป, อปการคุณท่านถือว่าปุพภกาลีบุคคลผู้มีอุปปการก่อนคือได้เลี้ยงดูเรามาแล้วพวกเราควรจะแสดงความกระตันอยู่กตเวทิตาอย่างไรต่อพระคุณออของพ่อของแม่ของเรานี่แหละอันนี้ก็คือ พระคุณส่วนหนึ่งอันนี้คือชาติที่เราเกิดมาศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธพระบรมครูของพวกเราคือพระพุทธเจ้าก่อนที่พวกเราจะรู้พระคุณของพ่อของแม่ก็ได้รับพระรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสอนว่าพระคุณของบิดามารดาอย่างนี้นะแต่พวกเรานั่งหลับตาคิดดูสิริงไหมที่พระพุทธเจ้าสอนน่ะ ท่านเอาคำจริงมาพูดเรามาพิจารณามาันก็จริงจริงทุกอย่างที่พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้อันนี้ก็คื อ, เ, อ, อเป็นพระคุณที่สองอีกเหมือนกันอชาติศาสนาคือพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนให้รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ควรวางตัวยังไงควรปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้คือศาสนา เพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะรับศีลก็ดีจะให้ทานถวายทานอะไรก็ตามหรือจะทําสังฆกรรมอะไรก็ตามทั้งฝ่ายพระสงฆ์จึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันต์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นคือเราราลึกถึงพระคุณคือบุาการีนั่นเองบุพาการีทางธรรมอะ อันนี้คือบุพการีทางโลกก็คือพ่อแม่บุพการีทางธรรมก็คือพระพุทธเจ้าเพราะฉนั้นก่อนที่เราจะทําสิ่งไหนก็ตามเราเ ล, ะ ล, ะลึกถึงเราจะรักษาศีลห้าปาณาติป า, า, ปาแล้วก็ณโมตสัสระคือจำลึกถึงพระพุทธเจ้าซะก่อนนี่แหละพระพุทธเจ้ามีคุณคามความดีคนที่มีปัญญาอย่างที่ว่าะจะเ ล, ลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ได้มาก และลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็ได้มากาถ้าว่าคนโง่ใช่ยางถ้าคนโง่คนเห็นแก่ตัวและลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ไม่ได้คนเห็นแก่ตัวคนไม่มีปัญญาและลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เนี่ยแหละอันนี้ก็คือชาติศาสนาส่วนพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันพระมหากษัตริย์เป็นผู้ปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกดาบรร มาแต่แต่กรุงศรีเออมาแต่กรุงศรีเอ่ออุธ ย, ยากรุงรัตนโกสิลกุลกรุงสุโขทัยเออกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยยากรุงรัตนโกสิน ล, ล, ล, าลนาการปกครองประเทศชาติบ้านเมืองต้องอาศัยเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถ้าหากว่าไ ม, ม่มีมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นําเป็นผู้ปกครองพวกเราจะเป็นยังไงสเปสะสปะอะ คนที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องมีหัวหน้าประเทศชาติประเทศชาติชาติไทยของเราก็มีหัวหน้าเรายอมรับหัวหน้าของเราในในครอบครัวก็ต้องยอมรับหัวหน้าหัวหน้าคืออะไรคือครอบหัวหน้าครอบครัวก็คือพ่อบ้านอผู้รองหัวหน้าก็คือแม่บ้านหัวหน้าวัดก็คือเจ้าอาวาสผู้รองหัวหน้าวัดก็คือเจ้ารองเจ้าอาวาส ผู้ใหญ่บ้านรองผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยกำนันอำเภอประลัดอำเภอผู้ว่ารองผู้ว่ามันมีลกทกระดับเพราะฉนั้นเรื่องหัวหน้าเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญในสมัยก่อนก็ถือว่าพระเจ้าแผ่นดิเนเป็นหัวหน้าประเทศชาติปกครองประเทศชาติมาตั้งแต่ดึกดําบันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราก็ให้ความสําคัญถ้าาว่าพวกเราไม่ให้ความสําคัญต่อสถาบันแล้ว พวกเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันประเทศชาติไทยจะเป็นอย่างนี้ไหม เ, เห็นไหมรัชการที่5ท่านปกครองปกป้องประเทศไทยของเราท่านวิ่งไปประเทศไหนบ้างให้พวกเราได้ศึกษามถ้าเรามีปัญญาเราศึกษาประวัติศาสตร์เราจะรู้ว่าท่านปกครองประเทศไทยมาเนี่ยท่านวิ่งไปประเทศไหนไปเยอระะมันไปรัเสเซียไปขอให้ปกป้องประเทศไทยเพราะเขาจะแบ่งประเทศไทยเป็นสองภาค ทางอังกฤษเขาก็จะแบ่งทางตะวันตกฝรั่งเศสเขาจะแบ่งทางทิศตะวันออกแบ่งแม่น้ําเจ้าพระยาเป็นแกนกแกนกลางรัชการที่ห้าทุกขนาดไหนที่วิ่งไปปกป้องประเทศประเทศไทยเห็นไหมอะไรทีนี้ประเทศรอบด้านของเราเป็นเมืองขึ้นของเขาทั้งหมดถ้าว่าป ร, ประเทศไทยของเราเป็นอิสระเพราะเหตุหลายเพราะพระ ปีชาสามารถของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ปกครองเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเรานึกถึงประวัติศาสตร์แล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถ้าว่าคนโง่เสอย่างเดียวกระลึกไม่ได้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดถ้าคนมีปัญญาระลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่ระลึกถึงคุณของพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธญาณระลึกถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินผู้ดูแลประเทศชาติ มาให้พวกเราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขทุกวันนี้สิ่งเหล่านี้ถ้าว่าอย่างหลวงพ่อไม่พูดถ้าพระไม่พูดนะพวกเราก็คงจะคิดไปไดอีกแนวมุมหนึ่งแต่อย่างที่หลวงพ่อได้คิดเอาไปคิดเลยสิศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนเอามือกก่หน้าผากคิดเลยสิเดินคิดด้ที่นั่งคิดที่นอนคิ ด, ด้สิจะทำยังไงคิดก็เถอะหลวงพ่ออ้างเหตุผลให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอ่า เพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมทุกคนนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือการเป็นอยู่การบริหารจัดการกับชีวิตของพวกเราแต่เรื่องทางด้านจิตใจพวกเราอย่าลืมอย่าลืมในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ของร่างกายร่างกายของเราที่มองเห็นนี่ยนะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ต้องมีพ่อมีแม่ต้องมี หลักธรรมคาสอนนํามาปฏิบัติแล้วก็ต้องเคารพในวัยวุฒธคุณวุธเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ทางด้านจิตใจเจ้านทางด้านจิตใจคือแนวความคิดในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญ น, นะพระพุทธเจ้าท่านสั่งอย่างนั้นตรัสอย่างนั้นในพระธรรมคําสอนตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนรกสวรรค์มีจริงถ้าใครทําไม่ดีนะั่นแหะ นรกมนุษย์คืออะไรคือคุกคือตรางนรกเมืองผีคืออะไรมันมี อ, อที่ทําให้วิญญาณตกทุกข์ไยากถอดทรมานทางด้านจิตใจดวงวิญญาณตกไปหาเมืองผีไปตกนรกหมกไหมแต่นรกเมืองคนก็คือคุกคือตารางแน่นอนอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วทํากรรมดีจะต้องได้ดีทํากรรมชั่วจะต้องได้ชั่วออนรกสวรรค์มีบาปบุญคุณโทษมี ถ้าว่าใครทํากรรมดีคนนั้นก็ได้ดีถ้าไทยไทยถ้าใครทํากรรมชั่วคนนั้นก็ได้ชั่วโลกนี้โลกหาได้หาดีก็ได้หาชั่วก็ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาควรจะหาแต่คุณงามความดีเข้าสู่กายเข้าสู่ใจของพวกเราเออพวกเราต้องศึกษาที่พูดทางนี้ให้ทั้งนี้ทางนั้นให้ฟังเป็นแนวทางว่าพวกเราจะต้องศึกษา วิชาในทางพระพุทธศาสนาต้องศึกษาศึกษาอย่างไรก็คือพวกเราอยากศึกษาในภาคปฏิบัติเบื้องต้นอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธุรงกรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ต่างๆหลวงปู่ขาวนี่แหละคือสายหลวงปู่มั่นเมื่อได้รับธรรมคําสอนจากครูบาอาจารย์ท่านก็ออกไปปฏิบัติ ไปเดินยังกรมไปนั่งภาวนาไปอยู่ป่าชา้าไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในที่กลัวไปภาวนาภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบรวมลงเป็นหนึ่งท่านรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเนี่ยเป็นคนละอ่านกันที่หลวงพ่อได้เปรียบเทียบให้ฟังร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจคือนามธรรมเหมือนกับคนขับรถคนขับรถกับรถ ก่อนที่รถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับนี่ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่คืออาศัยวิญญาณคือใจคือตัวผู้รู้คือนามธรรมเข้ามาอยู่แต่ตัวนี้มองไม่เห็นมีแต่สมาธิทำจิตใจให้สงบตอนนั้นจึงจะมองเห็นได้ถ้าจะมองทธรรมดานึกคิดธรรมดามันจับไม่ได้มันมันละเอียดคือนามธรรมตัวนี้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านศึกษานะศึกษาในี่ยทำคำสอน เมื่อเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าเออเควาตายแล้วไม่สูญนั่นก็คือร่างกายแตกตายสลายสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนแต่นามธรรมจะออกจากร่างของเราไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆได้ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นขอให้พวกเราศึกษาในจุดนี้นะเพราะวิชาในโลกนี่เราจะสยามภู ร, รู้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้พูดอย่างนั้นได้เราจะต้องศึกษา ต้องอาศัยการเรียนรู้ต้องค้นคว้าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทไฟในการศึกษาไฟในการเรียนรู้พวกเราจะรู้เรื่องต่างๆเวลานั่งสมาธิจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอย่างกันเป็นคนละอันกัน แต่ถึงที่ตายแตกสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟเป็นกระดูกนั่นก็คือร่างร่างกายแต่นามะธรรมองไม่เห็นออกจากร่างไปแล้วเป็นผีเนี่ยที่เราไปเห็นผีนั่นแหะคือวิญญาณคือใจนนตัวนั้นแหละไปเกิดในภพภูมิต่างๆแต่ตัวนั้นจะมองเห็นได้ต้องผู้มีญาณรัตนะผู้มีฌานอย่างน้อยก็ตัวเองเห็นตัวเองเมื่อจิตใจสงบแล้วเพราะ <S <S นั้นขอฝากไว้กับคณะจัด ท, ทา ย, ยาตโยมทุกหมู่เหล่านะอันดับแรกหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ วันเกิดของหลวงพ่อที่จะมาถึงวันที่27่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไรในเมื่อพี่น้องเขามาสู่วัดต้องทำใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะถ้ามาได้ก็ดีถ้าไม่มาก็เออสุดแท้แต่หลวงพ่อไม่ได้ทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนกับพี่น้องศรัทธาญาติโยมรักเคารพเมตตาอย่างเก่าแต่ถ้ามามาได้ก็ดีนานทีปีหนจะได้มาพบมาเจอกันอันนี้ก็คืองาน วันเกิดที่จะให้หลวงพ่อสร้างเสนาสระเสนาเสนาสนะหรือว่าที่พักผ้าศัยให้พวกเราท่านทั้งหลายสะดวกสบายก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อคิดไกลนะถ้าจะว่าไปแล้วเขาว่าหลวงพ่อละเอียดอย่งเขาว่านะหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อละเอียดเขาวางนะแต่ตาม่จริงหลวงพ่อก็คิดละเอียดถีถ่วนเหมือนกันบวกลบคูนหารส่วนได้ส่วนเสียมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์หลวงพ่อก็ได้คิดจากนั้นหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ พระคุณของพ่อแม่อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินประเทศไทยชาติไทยของเราปีนี้รู้สึกสะเทือนใจที่ลูกพ่อที่ลูกวางแผนฆ่าพ่อแม่ทันงที่ตัวเองได้รับการศึกษ า, อ, าอย่างดีแต่ทำไมจิตใจจึงเลวถึงขนาดนั้นทำไมเราจึงคิดรวยทางลัดพ่อแม่หามาด้วยความยากลำบากขนาดไหนตัวเองนะ่ะ ข้าพ่อข่าแม่แล้วจะคลองมอรดกคิดได้เพียงแค่นั้นเหรอฮะนี่แหละสิ่งเหล่านี้พวกเราต้องคิดดูให้ดีพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วขาสองสมองหนึ่งขาสองแขนสองสมองหนึ่งเราจ ะ, ส ะ, สะแสวงหาที่ไหนก็ได้คนมีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าคนขี้เกียจคนโง่เสอย่างหาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะหาได้แต่ความชั่วนะอันนี้ก็ฟังเอาไว้นะ ชาติชาสนาพามหากษัตริย์มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอันนี้หลวงพ่อก็ได้บรรยายให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อการศึกษาสรุปท้ายคือว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริงให้พวกเราศึกษาศึกษาตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าเมื่อเราศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาแล้วนะจะไม่รู้นะจะไม่รู้รู้ก็รู้แบบเพลิน เอ่ว่าไปยังเห่อไปอยังก็เห่อไปตามเพราะเราไม่มีหลักถนะ้าเรามีหลักแล้วนะข อ, ขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเหมือนกับเป็นการพูดแบบรุนแรงแต่ตามไม่จริงเป็นแนวความคิดนะถ้าแรงมันกิเลสมันไม่แตกนะเพราะนั้นก็แทกอย่างแรงๆสักหน่อยเพื่อให้พวกเราได้คิดนะต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรนะที่นี้นะพรปีใหม่